บ o ๊กทูสิบห้าสกุตฟกสุกุตฝผลไม้และอาหารบขส์มสขอจิหุ่มล็บขส์ขบขส์มสขอจิหุ่มล็บขส์ ดิฉันมีสตอรอเบอรี่เซทรูมเปอร์ชุมเปอิอดิฉันมีกีวีและแตงโมเซกีวี่เอชินาชูซีกีวี่เอชินาชูซดิฉันมีส้มและกเกร้ฟรุต สัอพีลสินฮจกรปฟรุตซีสอพีลสินฮจกรปฟรุตซดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วงสมเออสัฮจมังกูซสมเออสัฮจมังกซ ดิฉันมีกล้วยและสับปะรดเซบนนฮิอะนาณัสซีเซบันนันฮิอนานัสซีสนนสสดิฉันกำลังทำสลัดผลไ ม, ม้เซพชเมชสลัด ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งเซตสต์เซชคตสต์เซดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยเซตสต์ทุเดเซตสต์ทุเดซช ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยมเซโตสต์มทูรจิเชเซโตสต์มทูรจิมเรดัสเชชดิฉันกำลังทานแซนด์วิชเซแซนด์วิชซชเซแซนด์วิชซช ดิฉันกำลังทานแซนวิชทาเนยเทียมเซแซนด์วิชมาร์การินดชุเซแซนด์วิชมาร์การินดชุดิฉันกำลังทานแซนวิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศเซแซนด์วิชมาร์การินริดราเ เราต้องการขนมปังและข้าวเธอฮัลโหลเพนจ์เรจิชิจอกเธฮัลโหลเพนจรจิชิจอกเราต้องการปลาและสเต็กเธพเซจเออรจ เธอจะจีบฉันหรือทิชชีเราต้องการพิซซาและสปาเกตตีเธอพิซซ่าหรสปาเกตตีทิชชีชาร์เธอพิซซ่าหรสปาเกตเราต้องการอะไรอีกไหม สุดจรีทีชิชาร์รารเราต้องการแคลอดและมะเขือเทศสำหรับทำซุปเดอะพอร์เอจิปมิดอรค์คร์ฮันทุบซึมไปย่ชิชเดอะเพอริรอปรมิดอรค์คร์ฮันทุบซึมไปย์ท ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนซูเปอร์มาร์เก็ตต์ทเดชิซูเปอร์มาร์เก็ตต์ทเดชิการุณาไปที่ www. b o o k 2 de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด